ขอความเจริญในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลงพระพุทธยานกำลังนำเสนอเรื่องยานในพระพุทธศาสนาก็เป็นการขยายข้อความจากคำว่าจาักยาณะกรรมนีคือกระทํมยาณในบังเกิดขึ้นอันเป็นผลของการปฏิบัติไปตามหลักอรกิยมรรคใองแปดประกาศ จาการปฏิบัติตามหลักอริมกักในองค์แปดประการนั่นเองก็ให้บังเกิดผลเป็นยานระดับที่ ล, ลดลดหลั่นกันขึ้นไปในขณะเดียวกันก็มีอาการจางกลายของกิเลสลงไปโดยําดับด้วยทานองคล้ายๆกับการเพิ่มขึ้นของความเย็นก็มีการลดของความร้อนตามไป เอาความเย็นแผ่คลุมได้ทั้งหมดความร้อนก็หมดไปในจุดนั้นฟังภายในใจิตใจของคนเราที่ต่อสู้กันระหว่างแม่ทับใจสองฝ่ายคือวิชากับอวิชากลญันกับอัญญานหรือโมหะกับอโมหะมันก็ต่อสู้กันไปอย่างเงี้ยบางทีก็กั้มกึ่งกันบางทีก็พอรฟัดโปรเห่างกันบางทีก็ฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งชนะ หือผลักกันรุกผลักกันลบตราบใดที่ยังไม่เข้าสู่กระแสพันิพานเนี่ยเราไม่ไว้ใจอะไรได้เลยว่ากิเลสที่เราละแล้วจะไม่ฟูขึ้นก็วางใจไม่ได้าการละกิเลสของเรามันเหมือนกับบรรเทาโรคซึ่งก็ไม่แน่ว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้อีกหรือไม่แต่ถ้าว่าตัดมูลรากของกิเลสมันได้ สิ่งที่ซึมเนื่องจากกิเลสก็ถูกทำลายตามไปด้วยบรนกรณ์ได้พูดมาจนถึงโสเจโตปริญาณคือปัญญาในการกาหนดรู้จิตผู้อื่นด้วยจิตของตนพวกนี้บางทีเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารถ้าเป็นปฏิหารจะเรียกว่าอาเทศนาปฏิหารท่านที่คุ้นเคยกับการเจริญสติปัฏฐาน ก็จะเห็นว่าคุณสมบัติเนี่ยมันก็คือคุณสมบัติของจิตตาของปั ส, สนาสติปัฏฐานนั่นเองแต่ว่าในแง่ของความเป็นเหตุนี่คือดูจิตเราจิตมีราคาไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะก็สรุปว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าจิตเป็นอกุศลก็มองเห็นโทษแล้วก็พยายามลดละจิตที่เป็นกุศลก็พยายามประครับประคองไว้แล้วก็เพิ่มปูดมากยิ่งขึ้น แต่ในที่นี้อาจจะดูจิตท่านก็ได้ดูจิตคนอื่นด้วยก็ได้ในกรณีที่ต้องการจะสั่งสอนเขาก็ศึกษาพื้นเพจริตตรตยาสใยของเขารู้สภาพจิตเขาในขณะนั้นๆแล้วจะสอนอย่างไงจะอธิบายอย่างไงเนี่ยคือคนฟังมีความรู้สึกว่าเหมือนครับรู้ว่ารจิตที่จริงเขาก็รู้จริงอนนะแต่ไม่แสดงออก แล้วก็บางทีบอกว่าเหมือนเข้าไปนั่งในจิตคือรูปความคิดของเขาแล้วเวลาพระเราธรรมดาเนี่ยเราอธิบายธรรมะเนี่ยแต่อธิบายธรรมะระดับกรรมฐานในห้องกรรมฐานเนี่ยมันจะอธิบายอีกแบบหนึ่งอธิบายค่อนข้างลึกซึ้งวิเคราะห์ดูสภาพจิตเป็นอย่างั้นต่อไปเป็นยั ง, งไ ง, งนในการเปลี่ยนแปลงเป็งงนยางั้นใ น, ใ น, นแต่ละวาันแล้วมันเจอจิตคนเขาคนหนึ่งสองคนสามคนไม่แน่ ถ้าหากว่าพระไม่ชี้แจงให้ชัดเจนบอกนี้อธิบายตามหลักของพระพุทธเจ้าคนก็อาจจะเข้าใจว่าพระนั้นมีอยางอย่างรู้จิตตัวเองได้ก็เกิดนับถือพระเพราะพระเองต้องซื่อสัตย์ต่อพระรัตนตรยัยต้องบอกให้ทราบวันนี้พระพุทธเจ้าอธิบายว่าอย่างนี้ไม่ใช่เรารู้อย่างนี้แต่พระเจ้าทรงรู้เห็นและทรงอธิบายว่าอย่างนี้เราก็ทำหน้าที่เป็นทูตสื่อสาร ธรรมะมาสู่ผู้ฟังเท่านั้นคืออย่าไปโมเมนะฮะถ้าโมเมเขาชื่อว่าไม่สุจริตคือประพฤติธรรมเป็นทุจริตไม่ประพฤติธรรมให้สุจริตเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องในฐานะของพุทธบริษัทเพราะว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายทั้งทั้งที่ท่านรู้เห็นด้วยญาณของท่านเนี่ยท่านก็ยังอ้างพระพุทธเจ้านะฮะ ท่านไม่พูดเองข้อต่อไปก็คือพระยานสามที่ส่งบรรลุในในใ น, ในยามทั้งสามของราตรีที่ได้เคยพูดไว้ตอนผู้เจ้าศัสรูเนี่ยคือผูุเพนวาสานติยานปัญญาเป็นเครื่องลึกชาติก่อนก่อนได้แล้วก็ตอนี่เรียกว่าทิพยจักษุแต่ตอนพระยาน เ, นเรียกว่าจตูปป า, ปาติยานคือทิพยจักษุก็คือมีตาทิพสามารถที่จะมอง อะไรก็ตามในที่ไกลนี้ได้แล้วจะเห็นชัดเจนเหมือนกับเห็นยิ่งกว่าเห็นในตาเนื้อนะเพราะาตาที่เป็นมองทะลุมองทะลุถึงพื้นเพจริตอัธยาศัยวัสนาบา ร, รมีของคนเหล่านั้นความแก่อ่อนในอินทรีย์เป็นต้นเนี่ยแต่พวกนี้เวลาใช้เนี่ยถ้าขนาดดูรายละเอียดขนาดนั้นเ้าเรียกพุทธจักษุแต่ถ้าดูเป็นภาพรวมๆเนี่ยเรียกว่าที่ปัจจุัน แล้วถ้าดูถึงว่าทําไมคนมาเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นทํำบาปทากรรมอะไรไว้เนี่ยเขาเรียกว่าจูตูปปาติญาณเรียกตามลักษณะอาการใช้เพ่คนธรรมะตรงนี้อย่างที่บอกว่าที่จริงก็คือยาเนื้อปัญญาด้วยกันแต่ว่าท่านเรียกตามอาการที่ใช้นะยกตัวอย่างที่เราธรรมะที่เราคุ้นๆเยนสั บ, บริสฐ ธ, ธรรมเจตประการเนี่ยถ้าท่านผู้ฟางเราสังเกตว่ามีคําว่ายูอยู่ทางนั้นใดก็หมายความมายาธาตุในความรู้ถ้าดเดียว ทาโตนะฮะทาโตคือธาตุเดียวธาตุรู้แต่ว่ารู้คนละเรื่องกันรู้อัดรู้ทำรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้กลุ่มคนรู้บุคคลก็เลยเรียกว่าธรรมัญยูอัถถัญยูอัตัญยูมัดันญยูกาลัญยูปริสัญยูนะปกโอปา ร, รัปรัญยูอะไรต่างๆกว่าไปเมื่อกือคนคเดียวนี่คนคนเดียวก็วทํางานอย่างหนึ่งก็เรียกอย่างหนึ่งทํางานอย่างหนึ่งเรียกอย่างหนึ่งนะฮะ นายกอขับรถก็เรียกว่านายกอขับรถเดียวคนขับรถนายกอเข้ามาในร้านก็เรียกว่าลูกค้าพอซื้อของก็เป็นผู้ซื้อของพอหิ้วของกลับมาก็กลายเป็นคนหิ้วของอะไรแต่เนี่ยก็เรียกตามตามตามอาการที่ทําในขณะนั้นๆสรุปแล้วก็คือเจอตสิกธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลนะบางบางบางข้อนี่มันเป็นโลกุตระ บางข้อก็เป็นโลกิยาแล้วก็ข้อต่อไปก็คืออาสวัคยานบัญญาที่เกิดขึ้นยานที่ผุดขึ้นมาแล้วทาลายอาสวะทาลายสับกินเลยเดินนะฮะตรงนี้หมดเลยที่ทาให้พระเจ้าจัดรรู้เนี่ยตรงเนี้ยยานยานเขาเนี่ยเรียกออว่าอาสวัคยานคือยานที่เกิดผุดขึ้นแล้วทําอาสวะให้หมดไปจากาวัฏฏินะฮะอาสวะมัามีการพบอวิชชา และโดยเฉพาะอวิชาเนี่ยเป็นตัวรากงายใหญ่เลยทําลายลึกที่สุดเนะ น, นี่ยยาเนี้ยทาลายได้ลึกที่สุดก็คือทํำลายที่อวิชาแต่ว่าโดยเนื้อหามันจะเหมือนกับกัตายานนะฮะกัตายานในอริยสัจสีแล้วต่อไปก็ทุกขยานปัญญาในความกําหนดรู้ก็นี่ก็หมายความว่าตามโครงสร้างของยานสามซึ่งเคยพูดตอนวิจาศาสารสสรู้นะ คือหมายความว่าในแง่ของความจริงก็รู้ว่าออะไรเป็นอะไรรู้ว่านี่คือทุกนี่คือเกิดแห่งทุกนี่ความเดียทุกนี้เขาปฏิบัติแห่งความเดียทุกและรู้ว่าทุกนี่ควรกําหนดรู้ตอนนี้ก็คือทําหน้าที่กําหนดรู้กําหนดรู้ตามอะไรตามที่มันเป็นอ่ะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นก็ไปจงกับพวกธรรมมัทธิทิยานว่ามันเป็น ธรรมทิฏฐิคือมันตั้งอยู่ตามธรรมชาติอย่งงางนั้นมันทำมารยา ม, มันอยู่ในกฎของธรรมชาติอย่งงางนั้นแล้วก็เมื่อเราเห็นเราก็เห็นก็กลายเป็นวิปัสสนาญาณคือความรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเพราะสิ่งเราเนี่ยที่มันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะจิตเรายึดเฉยๆเพราะยึดตของเรามันก็เป็นทุกข์รื้อเจ้ว่าเราเป็นก็เป็นทุกข์ยึดว่าเราไม่ได้เป็น เ, เป็นทุกขนะ์ยึดถือด้วยอํานาจที่เรามีตัวตนให้ยึด แต่ถ้าเราไปถอนตัวตนออกเนี่ยมันไม่มีสิ่งให้ไปยึดเพราอไม่ยึดมันก็ไม่รู้สึกยินดียินได้ข้อนี้ลองสังเกตบางครั้งเช่นสมมุตมิหมอก็ฉีดยาชาเนี่ยทามาก็เคยผ่าตัดเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเขาผ่ า, าตัดไปเสร็จแล้วเนี่ยหมอเขาบอกว่าเสร็จเสร็จแล้วเหรอก็เสร็จไปตั้งหลายชั่วโมงเราไม่รู้เลยเพรก็เลยเพราะว่า มันถูกจิตยาชาได้เราก็สลบใจเราไม่ได้คิดว่าเราถูกผ่าไม่เราถูกฉีดยาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถามว่าความรู้สึกเป็นเรามีไหมในจิตมันมีแต่ว่าไม่ได้ทําปฏิกิริยาตอนนั้นเพราะว่าในตัวเนี่ยมันชาหมดยาไปทําไม่โรชาก็เคยเคยผ่าตัดมาสองสามครั้งนะโดนฉิตยาบ้างโดนโดนอะไรก็ทำให้เกิดชาบ้างเนี่ย มันก็ดูแล้วก็เออที่จริงก็ตัวเราแหละแต่เมื่อเรารู้ไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือแม้แต่ตอนเราหลับเองนะฮะใจเราไม่รู้สึกว่าตัวเราเพราะเราหลับเพื่งก็ไปทําอะไรก็ได้นะจะปวยจะเท้าเหวี่ยงกลับไปก็ได้ถ้าเราไม่ตื่นนั่นนะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าจิตที่ไปยึดถือยึดมั่นถือมั่นเนี่ย แล้วก็ต้องการให้เป็นอย่า ง, งานั้นอย่างนั้นเพราะมันไม่รู้สึกว่าเป็นของเราเรานึกว่าเราบงการได้เราสั่งการได้ให้เป็นอย่า ง, งานั้นอยากแก่อ ย, า, อยาเจ็บอยาตายอะไรแต่อะทรัพย์ ส, สมบัติจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันตกอยู่ในกฎของบัตรหลักตกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตานะฮ บ, บางทีเนี่ยสมัยมาเป็นเด็กๆก็ยังนึกว่าเราเป็นเด็กๆ่กนะที่จริงก็อายุแปดเก้าขวบทังเด็ มันไปชอบไปนั่งฟังอยู่ริมถนนหลวงพ่อท่านสวดแต่นั่งสวดคนเดียวอ่ะพ่อแก่มากอะท่านสวดถวดยวยาวสวดเสียงยันยานถ้าเราฟังเราไม่เข้าใจแต่เรารู้สึกมันซึ้งยังไงเจ้ากุลท่นสูวดรู้ปปางอ น, นิจจางรูปเป็นของไม่เที่ยงยาดานิจจางตางโกขางรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์อย่างดดข่างตังอนัตตารูปใดเป็นรูปรูปนั้นใช่ตัวใช่ตน อย่าดาตาตังเนตังมามาเนโซะมัสมีเนโซะเมอัตรารูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแล้วาะว่าวทธนารัาตญาังกาญมิญญาแต่ท่านสวดเพราะนะสวดยาวสวดเสียงลากยาวมันรู้สึกโหยหวนยังไงชอบกุลสวดตอนเย็นๆหัวค่ําำมานะคือไม่ถึงกับมืดหรอกไม่ถึงกับมืดแล้วก็ไปนั่งฝังนั่งแอ บ, บฟังคลางหลายวัน มันก็ไม่เข้าใจแล่วรู้สึกชอบรู้สึกเพลาะนี่คืออะไรคือต้องสะส ม, มอยู่ภายในภายในใจเราเนี่ยแล้วจนเห็นตามคล้อยตามคิดตามไปแล้วจะเห็นพวกนี้อย่างอย่างระสูตรพวกนี้นะแนวเดียวกับในธรรมจักไอ้ไม่ใช่อนัตตลักษณสูตรซึ่งเป็นสูตรที่ก็คงอีกนานะว่าจะถึงอนัตตลักษณ์อนัสุนี่ มันเป็นการแสดงถึงญาณอย่างเนี้ยญาณระดับที่เรียกวิปัสสนาแล้วก็ญาณเกิดขึ้นในทุกรู้ว่าทุกขนี้ควรละรถ้าเราไปเทียบญาณที่กล่าวไว้ตอนพระเจ้าศสรุก็คือกิจญาณรู้กิจที่ควรทำในเรียสั สมุทัยก็คือสรรพกิเลสทั้งหลายแต่ว่าตามปกติถ้าพูดในนามสมุทยัยเนี่ยเราจะพูดถึงตัณหาสามแต่ตัณหาสามที่จริงก็เป็นที่รวมของกิเลสทั้งหมดเราเห็นว่าการมาตัณหาเพราะวะตัณหานั้นก็เป็นโลภะนะครแต่ว่าการถูกขัดขวางไม่ได้ตามที่เราอยากเนะี่ยมันเกิดโทสะทันทีเลยเห็นไหมโทสะมันจะแฝงอยู่แต่ที่จริงเนี่ยในตัววิภวะตัณหานั่นเองมันมีโทสะอยู่ ตินาการก็โทษสัคือไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการฟังก็หมายความยังไงหมายความว่าไม่ต้องการเห็นอย่างอื่เห็นไหมเมันไม่ชอบใจแล้วก็มีความชอบใจที่จริงวิวาตนหาในค่อนข้างแรงอนะที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเรามีโมหะตรลงวัตตนหาสามมันก็คือโลรคหลงนั่นเองเพียงแต่ว่าสดแสดงอาการที่มัน ทำปฏิกิริยาต่อจิตจนจิตมันเด่นจิตมันสูญเสียการส่งตัวปุปบมามาเหมือนกับความหิวที่เสียดแทงตัวงูทึ่มันชอบนอนมันติดนอนเลยเราเห็นว่าถ้าความหิวไม่เสียดแทงมากแกไม่ลุกหรอกแกติดนอนแกแต่พอ ถ, ถึงจุดหนึ่งนี่เสียดแทงมากมันก็เริ่มขยับเขาเรียกว่าปริลาหะคือมันเกิดร้าเรอนขึ้นมาภายในถูกเสียดแทงด้วยความหิว ในสุดมันก็ออกมาเป็นตาหาคืออยากอยากแล้วมันก็สายหัวมันก็สายไปหาอาหารเลื้อยไปเคือปริเยสนาคือแสวงหาแสวงหาก็าก็เห็นเห็นก็อยากได้อยากได้ก็ฉกก็ฉกก็เป็นการยึดติดนะเป็นอุปาทานเป็นการยึด ทีนี้ใครมาแย่งก็โกรธเลยคะอันนี้ใครมาแย่งก็โกรธเลยใครมาขวางก็โกรธเลยเพราะงั้นบางทีเราจึงพบว่าสัตว์อะไรจะแย่งอาหารกันพักเรื่องอาหารไว้ก่อนแล้วมาสู้กันก่อนมันเป็นอาการของโลภะเป็นอาการของโทสะและเป็นอาการของโมหะเพราะมันไม่คุ้มเลยเอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่ออาหารอินเดียนี่ไม่คุ้มอะไรเลยแต่เราสังเกตว่าทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์เนี่ยพร้อมที่จะลงมือเพียงเพราะแย่งอาหารกัน แย่งทรัพย์สินการแย่งผู้หญิงกันแย่งผู้ชายกันพร้อมจะฆ่ากันกลายเป็นศึกสงครามรามาเกียรติไปเลยรามเกียรติมีอะไรเรื่องคนเพียนเพียนสงคนแย่งผู้หญิงคนเดียวกันแย่งกันได้ยังไงไม่ว่าตั้งสิบสี่ปีแย่งตั้งแต่นางสีดาสาวๆจนแก่นะแย่งกันยังได้ก็ตลกอะ่ะแต่นั่นคือโลกอะโลกเขาเป็นเขาอย่างนั้นเองเพราะเขาไม่เห็นโทษของการหาโทษของกิเลส แต่ที่จริงในรามเกียร์นะดูเชื้อสายความเป็นมาเนี่ยพระรามเนี่ยพระนารายณ์อวตารนะฮะและ้วทศกรณฐ์ในบริมบงพรมเมศนะฮะเป็นเทวดาชุติทั้งนั้นแล้วก็ยิงก็เสียศูนย์เหมือนกันเพราะอะไรเพราะแรงดันของโลภะโทสะโมหะจนเป็นของเราจนไม่ยอมให้คนอื่นแต่ต้องแต่ต้องไม่ได้แล้วต่อไปนโรธยานนะฮะปัญญาในความทำให้แจ้งหมายความมมมองเห็นคุณค่าของ การเจริญกรรมฐานที่เรียกว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์วันนี้โรคเนี่ยนี่นิโรธนิโรธควรทาให้แจ้งมันเป็นเป้ามันเหมือนกับการกินอาหารอิ่มเนี่ยอิ่มเนี่ยมันเป็นเป้าหายโรคเนี่ยมันเป็นเป้ารู้หนังสือนี่เป็นเป้าเห็นไหมมันเป็นผลซึ่งจะต้องสร้างเหตุถึงเมื่อสร้างเหตุและผลเหล่านี้ก็จะเกิดต่อไปเป็นมัรคยานมัรคยานในที่นี้ก็คืออเ อ, อ รู้ความจริงในมรรคแล้วก็รู้ว่ามรรคควรเจริญคนลงมือประพฤติปฏิบัติก็รู้ว่าราจะมรรคเปงแปดประการนะทีนี้ในตรงเนี้ยท่านก็ย่อยออกไปเป็นเรียกเต็มที่นะะเรียกเต็มที่เมื่อก่อนเนี่ยก็เรียกว่าทุกขยานสมุทัยายานนิโรตยานมรรคยานต่อมาก็เรียกสมัยรอบหนึ่งเรียกตามอริยสัจทุกขยาน ทุกขะสมุทัยยานทุกขะนิโรธยานทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาญาณ น, นะฮะก็ความหมายเหมือนกันความหมายเหมือนกันเดีเรียกวิจิตพิสดารออกไปแล้วก็ในการต่อมาก็มาถึงยานสามแต่ว่าเรียกในความหมายของปฏิสัมพิทาเมื่อก่อนก็เรียกในความหมายของคำวิญญาณ น, นะฮะเราจะเห็นว่าที่จริงคําเนี่ยก็ใช้เหมือนกัน แล้วกป็ปฏิสัมพิธาเนี่ยตามปกติเ็ามีเขามีสนะี่นะฮะมีสี่ว่อนโน้นที่พูดเนี่ยมันมีแค่สามคือพูดอยู่แค่มีรุติต่อมาถ้าเรามาใส่ให้เต็มอย่างที่บอกนะว่าแนวในปฏิสัมพิธามรกเนี่ยคือถ้าเรามองจริงๆเนี่ยมันเป็นโวหารเป็นภาษา แล้วเนื้อหานี่จะซ้ำมีเนื้อหาที่ซ้ำกันบางทีก็คาบเกี่ยวกันบางทีก็เหมือนกันเลยแต่ว่าท่านใช้คำให้ต่างกันออกไปแน่นอนในในภาพของการปฏิบัติสิ่งที่จิตสัมผัสเนี่ยมันต่างกันแน่นอนแต่นั่นก็เป็นรายละเอียดลึกซึ้งในข้อต่อไปก็คือ ไปสัมปทาสนะฮะแต่ก็เรียกในนามยานว่าอัฏฐปฏิสัมพิทายานธรรมะไปสัมพิทาญานก็คือญาณในอัฏฐปฏิสัมพิท า, า, น, า, น, น, ธธ า, านี่หมายความว่าปริชายานปริชายานที่ยังรู้ในตัวปฏิสัมพิทาคือปฏิสัมพิทามันเป็นผลนะฮะ เป็นผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติทางจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระยาบุคคลที่จะเริญนสมถกรรมฐานบรรลุประเภทที่เรียกว่าเจโตวิมุตติเนี่ยมันก็จะบรรลุพวกปฏิสัมพิธาเหล่านี้ที่นิยามมันก็ไปอย่างรู้ตรงนั้นก็ทำนองคล้ายๆกับเราป่วยเข้าโรงพยาบาลรักษาแล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันหายก็เกิดรู้ว่าเราหายแล้ว รู้ลึกซึ้งไปถึงตรวจสอบัึงอาการต่างๆที่เคยเกิดเคยเกิดเในขณะที่เป็นโรคเนะ่ะมันก็ไม่เจอแล้วก็เห็นความสบายก็เกิดญาณดัอย่างลึกขึ้นไปอีกนะว่าเราหายแน่นอนแล้วก็หายเรียบร้อยด้วยพวกนั้นที่จริงมาเป็นคนละขนาเป็นคนละขณะกันรู้ว่าอิม่มแล้วก็รู้ว่าอิ่มแล้วเห็นอั้รที่จริงมันก็ต่อกัน กินอาหารมาถึงอิ่มก็รู้ว่าอิ่มก็รว่ตอนนี้วัดนี้เราอิ่มแล้วเป็นคนละขนาดจิตแต่นั่นเองแต่ว่าเวลาถึงระดับสูงขึ้นไปเนี่ยท่านท่านจะพูดเป็นขนาดนังกล่าวแล้วก็เรียงกันมาอย่างเงี้ยมาจนถึงข้อข้อหนึ่งข้อข้อที่ไม่ได้อธิบายวันก่อนนะคือปฏิภาณนะปฏิสัมพิทายาน ปรัช ญ, ญาณในปฏิภาณปฏิสั ม, มิทาปฏิภาณก็คือไหวพริบปฏิภาณการตัดสินวิเคราะห์ปัญหาต่างๆแล้วก็มีทางออกมีทางแก้ไขฉับพระจับพรมทันทีทันใดเป็นเรื่องที่สอนไม่ได้แต่ว่ามันมาจากภาคสนามที่สะสมบม่มเพาะฝึกปรืออบรมมาแล้วมันเกิดความคิดขึ้นมาเป็นไหวพริบเป็นปฏิภาณเป็นความฉับไวเป็นความฉลาดเฉลียว ของบุคคลเหล่านั้นแล้วก็นํามาใช้ในภาคสนามเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลมีการโต้อตอบมีการแสดงอะไรอะไรเยอะเลยจะกขวายตรงกันข้ามเนี่ยคนบางคนเนี่ยเขาเตรียมคนมาเพื่อโต้อตอบกับพระพุทธเจ้าและแม้แต่เรื่องเดียวกัน่ะเวลาส่งโต้อตอบนั้นจะไม่ตอบแนวเดียวกันมันก็อยู่ที่ไหวพิบปฏิภาณของพระองค์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรู้จักข่ายตรงกันข้าม ที่ก็มาถามเนี่ยมีพื้นฐานยังไงมีเจตนายังไงะวุฒิภาวะของเขาอยู่ในระดับใดจะสื่อสารยังไงเนี่ยจึงจะเกิดความก่อใจยอมยํานนได้และจะสื่อสารออกไปในลักษณะอย่างนั้นเพะเรื่องเหล่านี้บางทีมันอธิบายไม่ได้แต่ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแหลมคมลึกซึ้งนะฮะลึกซึ้งที่คนทั่วไปคิดไม่ถึง แต่ว่าท่านก็ออกมาได้ท่านก็โต้ตอบมาได้เขาบอกว่าสมเด็จโตเนี่ยสมเด็จพุทธาจันทร์โตท่านอธิบายเรื่องอนัตตากับพลังว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวมีตนนะพลังก็บอกอ้าถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไม่มีตัวมีตนจะคุณผมก็ต่อยเจ้าคุณได้เด้วท่านก็บอกว่าได้อาตมาก็เตะโยมได้เหมือนกันเพื่อมาบังคับมันไม่ได้ อันนั้นคือความหมายของหน้าตานี่เอามาใช้คนละความหมายคนหนึ่งใช้ในความไม่ไม่เจนตัวเป็นตนคนหนึ่งใช้ในความหมายว่าบังคับอันถาไม่ได้อันนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราเข้าใจเนื้อหาเหล่านั้นแล้วก็มีไหวพริบที่จะดึงเอาประเด็นเหล่านั้นเข้ามาใช้โดยไม่เสียเปรียบแต่ก็ถูกต้องชัดเจนด้วยเล่าฟังเท่าไหร่แต่ลมระภวตยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามไปบุญในธรรม